ทักษินายบุคคลหรืออาริยบุคคล8ก็คือทักษินายบุคคลหรืออาริยบุคคลในสี่ระดับข้างต้นนั่นเองที่แบ่งซอยออกไประดับละคู่ดังนี้ 1. โสดาบันหมายถึงท่านผู้ทําให้แจ้งคือบรรลุโสดาปฏิพันธ์แล้ว 2. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์สามสกทาคามี หมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งสกัาทาคามิผลแล้ว 4. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกัดทาคามิผล 5. อนาคามีหมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งอนาคามิผลแล้ว 6. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. อาอรหันหมายถึงท่านผู้ทำให้แจ้งอรหัตผลแล้ว 8. ท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งอาราตพนหมายเหตุในสมัยหลังๆนี้อริยบุคคลในประเภทที่สองสี่หและปดบางทีแปลเอาความกันว่าพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปิตมัจพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมัจพระผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมัจและพระผู้ตั้งอยู่ในอาราตมัจและแปลโสดาบันว่า พระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลแปลสกทาคามีว่าพระผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลดังนี้เป็นต้นการแปลเช่นนี้เป็นการถือตามศัพท์ที่เกิดในยุคอัตถกถาแต่มีข้อสังเกตว่าคําว่าโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักไม่พบที่ใช้ในคมพีพระไตรปิฎกชั้นต้น มาปรากฏเริ่มใช้ในคำพีนิเทศปฏิสัมพิธามักและพระอภิธรรมเป็นต้นมาส่วนคำว่าอารหัตมักพบใช้ในข้อความว่าอารหาวาอัต ส, สิอรหัตมักคังวาสมาปันโนและอรหันโตวาอารหัตมักคังวาสมาปันนานอกนั้นก็มาเริ่มใช้กันดื่นในคำพีรุ่นนิเทศ ปฏิสัมพิธามรักและพระอภิธรรมเป็นต้นเช่นเดียวกันทักษนัยยะบุคคล8จัดเป็นสี่คู่ชุดนี้นี่แหละที่ท่านหมายถึงว่าเป็นสาวกสงฆ์หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างหนึ่งในพระรัตนตรยัยหรือเป็นชุมชนในอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังคำในบทสวดสังฆ ค, คุณว่า ยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัถฐปุริสปุคขลาเอสะภควโตสาวกสังโคแปลว่าได้แก่คู่บุรุษสีตัวบุคคลแปพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้และสาวกสงฆ์นี้แหลที่ต่อมานิยมเรียกกันว่าอาริยสงฆ์ในชั้นพระไตรปิฎกพบใช้คำว่าอาริยสงฆ์แห่งเดียว ในข้อความที่เป็นคาถาในอังกุตระนิกายชั ก, กนิบาตคือใช้อริยสง์เป็นไวยพนดของสาวกสงในคำพีรุ่นอัตกถาจึงใช้คำว่าอริยสง์กันดื่นขึ้นดังจะเห็นได้ชัดเจนในคำพีวิสุทธิมักเมื่อนิยมเรียกสาวกสงเป็นอริยสง์แล้วก็เรียกภิกษุสงเป็นสมมติสงสงโดยสมมติคือโดยการตกลงหรือยอมรับร่วมกัน ได้แก่ชุมนุมพระภิกษุตั้งแต่สีรูปขึ้นไปไม่เจาะจงรูปใดๆเป็นอันเข้าคู่กันได้แก่สาวกสงฆ์คู่กับภิกษุสงฆ์อริยสงฆ์คู่กับสมมติสงฆ์อย่างไรก็ดีการเรียกว่าอาริยสงฆ์และสมมติสงฆ์นี้นับว่าเป็นการเรียกที่มีหลักและเป็นการเน้นความหมายที่มีประโยชน์อีกด้านหนึ่งของคําว่าสงฆ์จึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องใดๆ ในการที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นจะแสดงทักกินายะบุคคลพร้อมด้วยไตรสิกขาที่บำเพ็ญและสั่งโยที่ละได้ให้ดูดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่7ทับหนึ่งประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ทักกินายะบุคคลระดับที่หนึ่งพระโสดาบันสิกขาที่บาเพ็ญ คือเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณสังโยชน์ที่ละได้คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลับปตตปรามาตทักกินยะบุคคลระดับที่สองพระสกทาคามีสิกขาที่บำเพ็ญคือเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิและปัญญาพอประมาณสังโยชน์ที่ละได้คือสักกายทิฏฐิ วิจิกิิชฌาและสีลพตะปรามาตยเช่นเดียวกับพระโสดาบันและราคะโทสะและโมหะเหลือเบาบางทักขินยะบุคคลระดับที่สพระอนาคามีสิกขาที่บำเพ็ญคือเป็นผู้มีศีลและสมาธิบริบูรณ์แต่ปัญญาพอประมาณสั่งโยที่ละได้คือส ก, กายทิฐิวิจิกิชิชฌาสีลพตะปรามาตยและอีกสองข้อคือการาคะ และปฏิฆะรวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบหข้อทักษิณยบุคคลระดับที่4พระอระหรันติขาที่บำเพ็ญคือศีลสมาธิและปัญญาบริบูรณ์สังโยชน์ที่ละได้คือละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบหข้อและละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกทั้งหข้อคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธะและอวิชชา รวมเป็นละสังโยชน์หมดทั้งสิ